จิตสงบแล้วรู้เห็นความเกิดดับในจิตเมื่อจิตสงบแล้วกระแสจิตไม่ส่งออกนอกและไม่วิ่งเข้ามาภายในกายแต่ไปกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวก็จะรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดดับกับจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้ปฏิบัติดีมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกับน้าพุ ผู้ปฏิบัติมีสติกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงจุดหนึ่งจิตจะหยุดนิ่งสว่างสวยัยรู้ตื่นเบิกบานสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์จะไปวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้วันไหวต่อเหตุการณ์นั้นนันไม่มีแต่ทรงอยู่ในความเที่ยงตรงรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะแท้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ในจุดนี้ท่านอาจารย์มั่น ท่านบัญญัติศัพของท่านเรียกว่าทีติผูตังทีติคือจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวยัยผูตังมีสภาวะที่เป็นปรากฏการในจิตรู้เห็นจิตนั้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลา